รักน้อยเปรียมใจน้อยเราจะทุกน้อยรักมากเปรียมใจมากเราจะไม่ทุกมากการเอาความสุขของเราไปผูกไว้กับใจคนอื่น <c oughs> ก็คล้ายการเอาทรัพย์สินล้ำค่าไปตั้งบนแท่นบูชาที่ก่อขึ้นจากกองทรายวันไหนจะโดนซัดหายลงทะเล ก, ก็ไม่รู้ยึดใครมากแปลว่าคาดหวังความสุขจากคนนั้นมาก ผิดหวังเล็กๆน้อยๆก็ทุกข์มาหันแล้วยิดไกลมากจึงมีสิทธิ์เป็นทุกข์จากคนนั้นมากเผื่อใจไว้ผิดหวังก็เหมือนเตรียมน้ำไว้ตอนหิวพระพุทธเจ้าตรัสว่ารวมน้ำตาที่เราร้องไห้มาทุกชาติปริมาณนั้นเกินน้ำในมหาสมุทรทั้งโลกเมื่อยังรักเขาอยู่และทำทุกอย่างให้เขารัก วันดีคืนดีเขาไม่รักแล้วหมดรักแล้วไม่มีเยื่อใหญ่แล้วมหาสมุทรแห่งความสุขก็ม้วนกลับด้านพลิกเป็นมหาสมุทรแห่งความทุกข์สัตคลื่นยักษ์ดำมืดถล่มโลกให้พังได้ทั้งใบใจมนุษย์พลิกไปพลิกมาง่ายกลับกรอกตามเหตุปัจจัยนานาแปรปรวนรวดเร็วไม่ต่างจากหมอกควันใจเราเป็นอย่างไร ใจเขาเป็นอย่างนั้นแต่ใจมนุษย์ก็มักพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวที่มั่นคงพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้จักความสุขอันเกิดจากการผูกใจไว้กับสิ่งดีๆในเราเองอันได้แก่ลมหายใจแห่งความมีสติเมื่อหายใจยาวแล้วรู้ว่าหายใจยาวก็จะรู้ว่ามีความสุขสดชื่นยืดยาว เมื่อหายใจสั้นแล้วรู้ว่าหายใจสั้นก็จะรู้ว่ามีความสุขแสนสั้นจนเกือบเกือบจะเป็นทุกข์และเมื่อรู้ว่าหายใจยังเป็นสุขหรือหายใจยางเป็นทุกข์พร้อมกับรู้กายในอิริยาบทหนึ่งหนึ่งที่เคร็งบ้างผ่อนคลายบ้างคุณจะค่อยๆเกิดความสุขอีกแบบเป็นความสุขอันเกิดจากการรู้ความไม่เที่ยง เมื่อเกิดสติรู้ชัดเป็นปกติว่าลมหายใจไม่เที่ยงอิริยาบถไม่เที่ยงและความสุขความทุกข์ที่แฝงอยู่ในแต่ละอิริยาบถก็ไม่เที่ยงจิตจะถอนจากความยึดหลงทั้งเหยื่อล่อที่เรียกว่าตัวเขาและตัวเราเกิดความสุขที่พลิกเป็นทุกข์ยากแม้เกิดความทุกข์ก็พลิกเป็นสุขง่ายเพราะใจรู้แล้วว่า จะเป็นสุขอยู่กับอาการไม่หลงยึดได้อย่างไร